อาบูคาเอาปทัดบูชาพระพุทธเจ้าที่แม่น้ำเนรนัน ม, มากนาจีทะเลทะเลอย่างนี้มันไม่ถูกเลี้ยงไม่ถูกระบบขามพระพุทธศาสนาเลยก็พอแม่ก็แสนลูกให้จิตประทั ด, ดลอยก็ะพงก็สูปป่ประทัดถูกตืงนจาเตือก็เสด็จปรทัด ตายก็โสดประทักษ์เกิดก็โสดประทักษ์โสดใจให้ตรงฟังตรงปังนึกว่าอะไรถีอดีายแต่ก็ไหลก็ถีก็ไม่ออกถือมันรูเดียดยยดเด๋ยวนี้ถีมันถึงอยู่ในจิตใจเขาโอนที่เดลสามากหลายในยุคใหม่สมัยเป็นอย่างนั้นแหละวันสัมพันที่เราวัานนี้มีอสองไปเด็นจะเดินที่หนึ่งเป็นวันหมดอายุไข ของข้าว่าจติตาสาเดก็กข้าอาบนำสนหมดอายุในวันนี้แล้วสีดเดือนเต็มที่ท่ทานทั้งหลายได้วถวายข้าวาว่าวิกอาสาจิกังข้าอาบน้ำสนในวันนั้นสุกห้าทับเดือน8ดวันพระอาสาละหบุคา วันเลนข่านก็กบแสดงย ม, มกปฏิหารเตอร์ชิตมันดาก็เล่นถวายผ้าแต่วันพระแปดคซึ่งผุดผ้าแปดมิตาถ้าอาบน้ำเปล่า้าพอใช้มาได้เวลาสีเดือนพอดีจนวันีินะ่งเนี่ยหมดอายุเลยอะถ้าหายก็หายไปถ้าไม่หายต้องถอนแลว้วรีบกลับ้า้ต่ออายุเอาไว้ใช้ต่อไปได้ นี่ประเด็นที่หนึ่งเขาหวนเดนที่สองวันนี้วารละออกาสอันเป็นนิ่งขวัญแสงหว่างจ้าคือสจักรลอยอยู่ในผาตาบเรี่ยวกลาเดือนที่สองเที่เดือนสัตว์ที่สองน้นองกรลิเทื่อให้หมดด้วยน้ำผ้านานาชิดไหลมาตั้งแต่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดนตัดบัดนี้น้ากลางเดือนที่สอง ก็นองแล้วก็ใสสะอาดตกต้นตะกรนใสก็จะนิยมตักน้าเดือนที่สงไว้ทำยาเอาไว้รับทานต่อเมื่อไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเป็กต้นนยาสำหรับปู่ย่าตายายเล่าสืบกันมาอย่างนี้เพราะน้านมันใสในกลางเดือนนี้เขาจะนิยมตักตอนยุคศรนาฬิก า, าเลี้ยแพจอดสงบน้าก็หน่สงั น้ำน่าสงบเหมือนจิตเะมีสมาธิมันก็สายสะอาดอย่างน้ำกลางเดือนจีบสองแต่งก็นี่กระโดนอันเขาจะนิยมตักน้ำว่าน้ำในบ้านของโบราณบรรดิตั้งแต่สิโกะไทยมีถังถังหนึ่งก็รองนั้วนฝนไว้ตั้งแต่เดือนแปดมาถึงกลางเดือนจีสองหมดไปดูฝนก็ได้ฝนเป็นถังเอาไว้รักษาในอนาคต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 คนโราณก็ยังมีลักษณะว่าคทำยาได้น้ําฝนกลางหาคทำยาได้น้ําฝนที่ตักไว้เดี๋ยวนี้ใช่ไม่ได้แล้วมีตะมูลสารของสกปรกน้ํนาฝนก็เก็บไว้ใช้ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนมาเป็นต้ประการที่สองน้ำพรางดุจสองเมส่ส ม, มัยโบราณมันตกมาจากทุกเขามีต้นมาปลาบไม้มาก ม, มาผ่านต้นไม้ยา สมุนไายอ่านว่ามนเดินตะขาถาแล้วก็ลงมน้ำมาสู่ตึงวางเิ็นหน้าพอมาสู่ปากน้ำเผอลงสู่ในน้ำใจขยามันก็เป็นอยา่าอ่านมาหลายมือสู่นานาประการอานมาเยอแยะแล้วก็มาสายทะอาดตกต้นตะกรอนกลั่นแล้วกรองแล้วจึงไก่ไม่กระเพื่อน ให้คุณอู่นต่อไปให้ะจงนิยมกัดตอนเทีย่ยงคืนในคำ่ำคืนนี้ตามยุคตินาฬิกาน้ำจะนิ่งเพราะเรือไม่พายเรือไม่แกวเรือยมก็ไม่มีขนะ น, นั้นน้ําจะนิ่งทุกสิ่งเป็นยาได้เหมือนจิดเรานิ่งจิดเป็นธรรมะที่ไม่โกรธไม่กังวียดไม่ปลูกพยาบาทใครชนั้นน้ําจึงเป็นตัวยาฉะนั้น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 ทุกขิงพึ่งไม่ได้แล้วถึง น, นองทังลักกังหลายเอ๋ยอะไรจะสะอาดเาท่าจิตใจของเราเถิดน้ำเดี๋ยวนี้สกปรกมากมายน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาพึ่งไม่ได้แลวพึ่งกันไอของสกปรกลามกลงไปในน้ำทั้งอุจระปัสวะทั้งเทศบาล ตลอดตะล้ น, น้ำที่มันเป็นมูลสารที่สกปรกก็หลั่งไหลลงไปในน้ำาจ้าพยาไม่เหมือนแต่ก่อนมาเมื่อก่อนน้ำสะอาดน้ำเป็นยาไดา้เดี๋ยวนี้สกปรกจะทำอย่างไรล่ะเี่ประเด็นสาคัญ น, นี่นเราที่เราลอยกระทงนั้นเป็นประเด็นต่อไปเราต้องการจะบูช า, าพระพุทธเจ้าเสด็จที่กรุงศรีอยุธย ตอนที่น้ํามากหลากมามากมายพระพุทธเจ้าก็เสด็จอยู่หักศัายกลางทะเลเราก็ไม่สามารถจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้อยู่ไกลมากพระองค์ทรงทรงกลมทรงกลมทีทททท่ทะเลตายว่าอย่างหนอ้อตายอย่างหนอไปพระบาทห้าร้อยนำมะมุธาณนะแม่นม้ําเป็นต้นณนะทะเล เรียกว่าสรบาทห้าร้อยที่เราสวดมนต์ตอนเยน็นทุกวันสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันไหวพราาบาทห้าร้อยก็คือเราไหวพราาบาทก็คือรักษาสิ่งห้าให้มันชัดเจนสรบาทห้าร้อยตั้งแต่ปานาถึงภูลาเป็นตน้นในเชิงาการตามรอยุคโบราทขององค์สมเด็จพระสัมมาสั ม, มเด็ธเจ้าได้จึงได้ลอยไปบูชา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 เพศเนี่ยไอพ้พเนี่ยพอจะไล่ได้ไอ้เพศสิงอยู่ในจิตใจของคนเนี่ยไม่มีใครไล่ไม่ใช่กุปทัดเป็นการลอยกระเทนนี่ลอยกระพงมีความหมายอย่างนี้ขอให้อุมาโสริกาจำไว้วลาไปบูชาพระพุทธเจ้านี่ประเด็นประเด็นต่อมานะั้นเราถ่ายมูดอาจมลงแม่น้ำพระกุงค่ะอ่อแม่ธรณีเจ้าเ อ, อืยอยู่แล้วรู้ยางสังขารตางโรกังกวิถู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 และก็แม่พะพายชัยคับแม่พระคงคาเออย์ใสสะอาดปราศจากมนต์เทงถึงแม่พวกเราเราถ้าไมได้แม่พะคงคาแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรแล้วเราไม่มีน้ํารับทานอยู่ได้ไหมขาดน้ําก็ซึมชีวิตขาดคู่ทิศชีวิตยังอยู่ได้อย่างนี้แต่ก่อน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 ถึงเดืงอ้ายเดือนยี่น้ำเกาหลีไหลลงหมดแล้วท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยปาพอกทึบน้ำขึ้นรีบตักน้ำลงแล้วเราจะไปตักที่ไหนเล่าความดีรีบทำท่านในวันนี้กันก่อนจะมีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเหลือเกินที่ความประวัติเป็นมาของรอยกระทงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่มีลิเกละครเอานางเทพีเทพามาประกฏจัด น, นี่ข้อเท้จริงมีไม่กี่ข้อต้องการจะบูชาพระพุทธบาท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 อย่าจุดในบ้านในเมืองของฉันแต่ประการใดถ้าต้องการล่ามรวยสวยดีมันมีที่อปลูกโปรตวดพุทธคุณพาวมตา ะ, ะตาเจริญสัตวรรมฐ า, านจิตท่านสงบเหมือนน้ำใสใจ ส, สะอาดเหมือนน้ำกลางเดือน1ิบสองกำลังนอนตะกรสายสะอาดแวกว่ายธาาคือปลามองเห็นดั่งชัดเจนแล้วนั่นแหละสายสะอาดอย่างนี้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 แม่พระคงคาชำนะล่างกายลูกกสะอาดสบายใจยามร้อนยามยากลาบากมาก็หาพราะแม่เจ้าแห่งพระคงคาเนี่ยเราก็จะได้บุญได้กุศลในวันร้อยกระทงเช่นอย่างกล่าวแล้วไม่จ้าประทัดมาสุดตกดตันประทั์ไล่ไล่ความดีออกจากบ้านไม่มีที่ไหนเลยสิ่งหนึ่งขวัญเขาจะอยู่บ้านที่บ้านมีความสงบสามีภรรยาไม่ทะเลาะกาัน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 ว่าความโกรธเราฆ่าได้อย่างไรจะอยู่เย็นประสบประการใดขอท่านพุทธบริษัททั้งหลายติดตามฟังศึกไปณโอกาสบัด น, นี้ขอเจริญพรเจริญศุกโดยทั่วกันณบัดนี้ <c oughs> <c oughs> การที่ญาติน้องพุทธบริษัททั้งหลายเราได้มาเจริญกรรมฐานนั้นก็คือมาปฏิบัติธรรมะบำเพ็ญศีล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 กายจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเลียขวามีมาสติกำกับกายก็เรียบร้อยว่าจาจะพูดกบเพาะมีเหตุที่ผลไม่พูดเพศไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออีกต่อไปนี่คือกรรมฐานนี่เราเรียกว่าการปฏิบัติธรรมออกมาในลักษณะการอย่างนี้เวทนาลุ ป, ปัสนานั้นมีการตรวจเมื่อยหรือทั่วสกลกายเสียใจดีใจ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 นี่สติทั้งปัญญาจะจํากับปุยกระชึกแล้วเราก็ได้ผลคนที่ไปโลกอากาศอย่ามานั่งกรรมาฐานนะควบคุมจิตไม่ได้ไม่มีมสติเลยก็ทําไม่ได้ต้องรักษาหายก่อนโลกรคลมโลกเอ่อเลือดลมไม่ดีก็ไม่สามารถจะนั่งกรรมาฐานได้ต้องกําหนดให้ได้ก่อนต้องรักษาก่อนภาวะคือความไม่ปกตปิก่อนถึงจะได้ผลเนี่ยอนนี้มีจุดมุ่งหมายสําคัญอันจุดการนุ ป, ปัสนา น, นั้นหรือจุดคิดกุ้งสร้าง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 ไปเอาบทความมาจากไหนก็ไม่รู้อายนอนความบัวไม่ทานหายอความตายก็มาแทะโปรดกลมน้อนว่าัวานี้ตลอดรายการไหนเลยได้จะได้ผลจากการเจริญกรรมฐ า, านละแต่จะมาด่าอะไรเป็นซ้มเป็นอันเป็นขาดเป็นส่วนหน้าซึนาที่เกิดมาทั้งทีเอาดีไม่ได่ไหนมาปฏิบัติกรรมฐ า, านทั้งทีก็ไม่มีดีติดตัวไปได้และไม่สา ม, มารถจะสร้างความดีให้ใครขาใดและถ่าจะมีดีประการใด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 เอาความดีเข้าไปแก้กลับไายใจดีใช่หรือไม่เขาไลา่มาผ่าไลา่เกาะท่านจะประกอบอันใดเนื้อนี่นระร ม, มาฐานเขาไายมาอย่าไายตอบเขาโกรธมาเนยเขาไม่ดีมาจะเอาความดีเข้าไปแก้ไขค้นก็หนีให้ของที่ต้องใจค้นพูดเหลวไหลใช้ความจริงเข้าไปถหนาถึงจะได้ผลเขาเหลวหลายมาเราก็หลายเหลวไป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 ห้างคืนไว้เช้าท่านจะทํางานไม่ได้ถ้าเป็นรากจัดการท่านจะเสียหมดถ้าเป็นผู้พือภาษาเนี่ยขอประทานโทษที่เขามาเล่าให้สมาพังจัดสินตุกคุกวันนะครับไม่มีมีอให้อภยัยโทษแต่ประการใดทะเลาะก็เมียตายเมียนี่เขาว่าแล้วนจริงๆผู้ภาษาเขาเล่าให้สมาฟังหลวงพ่อที่ว่าผมไม่มาเข้ากรรมฐ า, านผมไม่รู้หรอกทะเลาะกับพันยาภรนย า, ยาผมเป็นครู ด, าด่าตึงเพราะ แล้วชาวผมก็โมโหไปวันนั้นตดัดถึงเลยควรจะรอลงอาญาสามเดือนหกเดือนสามเดือนหกเดือนไปคุกมาทุกคนวันไหนอารมณ์ดูสวดมนต์ไหว้พระมาวันนั้นตดัดถึงให้รอการลงอาญะไม่เคยมีความผิดมาเจอก่อนเนี่ยรอลงอาญาสองปีมากงหนึ่งปีบะออกเหล็กมาอย่างนี้กันก่อนอขอความหมายความโปรดน้สําคัญมาก แต่บางคนเนี่ยบุบ่ายปาบบุยบ่ายเขาไายมาเราเอาความดีไปแก้ไขได้ไหมไม่ได้ถ้าเรามีสติสักนิดหนึ่งก็จะเลยรู้ว่าคนนี้เขามีประโยชน์กับเราไหมเราเน้นถึงความดีกันถ้าเรามีปฏิบัติกรรมฐานได้จะเน้นถึงความดีเสมอจะไม่เน้นถึงความทั่วของท่านผู้ใดคนเราเนี่ยขอเจริญพรมีทั้งดีทั้งทัท่วด้วยกันทุกคนไม่ว่ า, าท่านผูดาย มีความชั่อะไรอะไรอย่งนีความดีของเขาก็ดูความดีอย่าไปดูความชั่วของเขาสามารถจะหายโกรธได้หายโกรธได้ยังนี้ทีนี้เพราะว่าการความโกรธนี่เรามีกรรมฐานจะแก้ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติกรรมฐานไม่ต้องพูดกันเลยไม่รู้ว่าความโกรธเป็นยังไงคือคือขัดข้องทางอารมณ์มันเป็นประการใดแล้วก็การปฏิโยทำลายความโกรธก็คือกําหนดโกรธเนอโกรธหนอโกรธหนอนั่นเอง เราแผ่เมตตาให้เพื่อแผ่ไม่ออกมาเป็นศัตรูกับเราแผ่เมตตาให้เขามีความสุขให้มีความสุขนึกถึงไอ้เรื่องสุขๆของเขากับเราแท่ให้เขาชิบหายวายวอดไปเลยนี่เห็นไหมนึกถึงความดีจะไปแฉ่งเขาได้อย่างไรนี่แหละยิ่งได้ความสุขเป็นที่รทราบตามทั่วาปสําสหรับนึกถึงความดีดต่นงยอดตากนาของมนุษย์คือความสุขซึ่งมีผลสื็เนื่อง ม, มาจาก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 ถ้าเราไม่มีกรรมฐานา ม, มีการกําหนดการสติแล้วท่านจะแก้ไขไม่ได้ต้เราปล่อยให้เรา <c oughs> ปล่อยให้เราโกรธข้ามามากแล้วโกรธสำคัญมากคราวนี้เราควรปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานเรื่องรงกลมคนที่ปฏิบัติแตกําหนดไม่ได้ก็มาเลิกก็ใช้ไม่ได้จิตร้อน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 ก็เืดลงไปแล้วจะพบว่าเกิดจากความไม่ชอบเกิดจากความไม่ชอบที่เรียกตามกับบาลีว่าอลระติความไม่ชอบเป็นเหตุให้เกิดความระเทียงใจหรือความขัดใจที่เรียกว่าปฏทิคะจากนั้นใจจะแปลสภาพเป็นลุ่มเคืองคือโกรธต่อจากโกรธก็เข้าเทโทสะเป็นลำดับไป ในเมื่อปูกพยาบาทกจะขึ้นต่อจากความโปรดก็เข้าปลูกโศกศัคือคิดทำร้ายถ้าทำร้ายไม่สำเร็จหรือยังไม่หายแทนก็ปลูกพยาบาทไว้ในใจแ้วต้องพยายามพยาบาทมันตอบมาไว้ก่อนในจิตนี่เนี่ยทัานตอนหลายเอ๋ยเกิดมาเป็นขั้นตอนอย่างท่อของความโปรด ส่วนข้อของความปรดลราก็มีมากมายเบื้องแรกจะทำให้ใจคุณเลาร้อนป่วนปันปันป่วนเมืดมัวพาความรู้จักรับผิดชอบทั่วดีนทำให้ลืมตัวหนะ้่มองไม่เห็นคุกตลางมองไม่เห็นนรกผิวผ่นเ้าหมองหมดกาาลาสีไม่มีความสวยงาม สีลุยาา่าพานบุร้ายคละกลายเป็นยักษ์เป็นมารก <c oughs> ลายเป็นยักษ์เป็นมารวาจาหยาบคายหน้าเกลียดหน้ากลัวพี่ลึกจริงๆในขั้นนี้หากระงับไว้ไม่ได้ไม่เด็กกาหนดจุดในพระกรมาฐานท่านจะเป็นอย่างนี้เหรอขาดการกําหนด ยิงลอดหึงรลางก็เกิดขึ้นก็ปลกเข้าไว้ในจิตใจกลายเป็นคนยักษ์มานปูกความเจ็บใจต่อไปแต่จะมืบาปอยู่ในใจตจลอดชีวิตนี่แหละในขั้นนี้หากระงับไว้ไม่ได้ไม่กำหนดกรรมาฐานระงับไม่ได้ความเกิดก็จะทวีความรุนแรงยิง่งข่อนถึงกับบูว่าทุกตีฆ่าฟันกันใช่หรือไม่ ผลที่สุดก็คือตารางหรือมีถนาดก็กลายเป็นสอบดังตัวอย่างที่มีมาแล้วนับไม่ค้วนในสังคมของคนไทยดังที่กล่าวแล้วด้วยค่าความโกรธนั้นก็ไม่ยากในการเจริญกรรมาฐานค่าทุกวันกําหนดทุกวันมืโกยธก็กําหนดค่าความโกรธทุกวันมีอะไรก็กําหนดทําใจสบายนี่ถึงจะถูกต้อง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 ดีไม่เสียหายดีมากหลวงพ่อองค์นั้นทะเลาะ ก, กันเออดีทะเลาะ ก, กันดิงปืนถุกอย่างนี้กั็นต้นอย่างตังหลายเออดีนอกจนใครๆพาการขนานนามว่าหลองพ่อดีก็ยกตัวอย่างวันหนึ่งท่านไปในตึนิในม์บังเอิญถูกฝนในระหว่างทางมีผู้พบเข้าจึงชาดขึ้นว่าหลวงพ่อเปียกฝนหมดแล้วตอนตอบว่าไงาเปียกโอดี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 อำ น, นดจจิตไปเรื่อยๆจนคุ้นเคยในความดีของเราแรงก็สามารถจะยับยั้งจังสิตมีสติปัญญาไดา้ความโกรธยังมีกำลังเล็ดลอดเข้าไปได้บางก็เล็กน้อยตอนนี้ต้องใช้แผนการขั้นสองคือแก้โดยการไขขลวนด้วยปัญญาจเจริญส ม, มาธิกรมาฐานไขครวนโดนุโสมนาฬิกาเคลือบอารมณ์เนีะย ทำอารมณ์ให้เย็นตั้งสติไว้ให้ได้เ ล, ลียกํำหนดว่าโกรธหนอโกรธหนอเครียบอารมณ์ทำอารมณ์ให้เย็นลงไปพอหายใจยาวๆเข้าอารมณ์ก็เย็นเครียบอารมณ์พยายามใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลพิจารณาถึงโทษของความโกรธจำเดิมแต่ทำให้ใจรืปป้อผลเล่าลอนกระวนกระวายเสียความสุขภาหมดสเสน่มหันยม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 นอนผูกพลามขอสองกุ ม, มานได้แล้วแต่เขี่ยนตีอย่างทารุมที่สุดอันเป็นภาพสะเทือนพระไทยอย่างรุนแรงรงดมีว่าข้าพลามเสียนี้เหิดจากอะไรแต่เดชะบารมีที่ขณะนั้นพระปรีชาปัญญากลับบังเกิดขึ้นทันทีพระบลมลาเฉลิสเบิดชันดอนเิย่งยั่งไทยวชิเด ตึงแต่งพลาณนาความตอนนี้ไว้อย่างเพราะว่าเสมือนหนึ่งปลาเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใสใสในที่นี้หมายถึงเครื่องเพื่ออดักปลาชนิหนึ่งใสมรรนาปลาจะเท่าไปให้แต่ละตัวเราผู้ทำฌามเสมือนตัวปลาถ้าพอทีอานในภายทักหน้านั่นต่อไปได้ มีความหมายอย่างนี้เป็นตอนดังเรื่องหลวงข้ อ, อดีซึ่งท่านเห็นอะไรดีไปหมดไม่เคยดูด่าว่าใครจะประการใดก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจในการปฏิบัติได้อย่างนี้เป็น่อนมีความหมายเพ <IS> ราะฉะนั้นพระเวชนดอนพระโพธิสัตว์นี้นะ่ะท่านก็โกรธเหมือนกันมาตีปลาหน้าชาย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 ที่เล่ากันมาว่าเวลามันกินอาหารบังเอิญมีตรวดทรายพลัดเข้าไปในปากตัวทรายนั้นจะก่อความระคายเคืองอวัยวะบางส่วนของหอยนั้นเป็นอย่างยิ่งขะนั้นธรรมชาติจึงขับน้ำาทนยาชนิดหนึ่งออกมาเคลียบปวกทรายนั้นหายระคายเคืองนี่เองแหละคือที่มาของไขมุกซึ่งมีค่าสูงมาก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 กระเภตการณก็จะเกิดประโยชน์มาทีเดียวสมมุติว่าคนใช้ทำถ้วยแก้วตต่ท่านที่เป็นนายแต่ยอมเป็นท่าทมความโกรธก็จะเกิดใจเป็นชิดขึ้นมาทันทีหน้าตาจะบูดเบิงหน้าเกรียดหน้าทางแล้วก็ค่นชิดออกมาเป็นคำดุด่าว่าร้าหยาบคายนัประการ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 อาตมาก็ที่แกงมาก็พอสมควรแต่เวลาแล้วพรหมทนาสารุการจะพูดเจริญตะก ร, รมฐานปฏิบัติธรรมไม่มีลายีแก่กรรมฐานเจริญสติรรฐานสี่นี่แก้ปัญหาได้สามา่อจะฆ่าความโกรธของเราออกจากจิตใจได้ทำไม่ใจกรดไม่คุนขว้างและแทนเป็นการผูกพยาบาข่าพิจารณต่อกานและกัน ม, มิตเมตตา